รายการธรรมจัดสรรช่วงสนทนาธรรมตายร่มโพ สวัสดีคะ่ะช่วงสนทนธรรมแต้ล่มโพในวันนี้นะคะขอเสนอบทสัมภาษณ์ของพระอาจารย์ภัยสารวิสาโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสุขโตอําเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมินะคะพระอาจ า, ารย์ภัยสาลวิสาโลท่านเป็นผู้ดูแลโครงการเผชิญความตายอย่างสงบซึ่งเป็นโครงการที่ทำการช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ป่วยก่อนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับบทสัมภาษณ์พระอาจารย์ภัยารวิสาโรต่อจากสัปดาห์ที่แล้วได้เลยค่ะก็อัตมาหลังจากที่แปลหนังสือเล่มนี้เนี่ยทิเ t ตั Book of Living and Dying ดางของโซเกียวดินโปเชสก็เวลามีคนที่ใกล้ตายญานมีเขาก็มาขอให้ไป ไปไปนำทางให้เริ่มนะ้วค่ะพระเขียนตำราแสดงว่าต้องมีควาบเชี่ยวชนาญชาญระดับหนึ่งก็ได้มีโอกาสไปไปพูดนำทางให้ให้กับผู้ผู้ใกลตายรายแรกนี่เลยเป็นอะไรเจ้าคะ่ะก็เป็นแม่ของเป็นแม่ของเพื่อนนะเป็นแม่ของเพื่อนซึ่งซึ่งเออซึ่งเป็นมะเร็งอายุก็ไม่มากหรอกห้าสิบได้แล้วก็ ตอนที่จะมาไปก็เริ่มจมากโคม่าแล้วฟังรู้เรื่องไหมเจ้าคะคือเราเชื่อว่าเราเชื่อว่าฝังจะเขาผู้ป่วยก็จะรับรู้ถึงตอนนั้นที่โรงพยาบาลหรือที่บ้านจะที่โรงพยาบาลไปที่ยวโรงพยาบา ล, าบาลใช่คือเรามีความเชื่อว่าแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็หลักฐานมากมายที่ชี้เห็นว่าผู้ที่โคม่าแล้วเนี่ยเขาสามารถจะรับรู้เขาสามารถจะได้ยิน หรือแม้กระทั่งเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวก็ได้ตอนที้ตาเขายังหลับอยู่ตอนที่เขาหลับตาเขาไม่ตอบสนองอันนี้ถ้าถ้าถ้าสนใจก็จะจะพูดได้อีกยาวนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้คือว่าเอเัตมาก็จะก็ไปพูดนําแล้วก็การพูดชนนี้เนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยมันช่วยช่วยทําให้ญาติทําให้ลูกเนี่ย เขามีความปล่อยวางได้คือบรรยายจิตใจของของคนที่เป็นญาติได้ในสองเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาได้ผู้ป่วยเนี่ยเขารับรู้หรือเปล่าแต่ว่ามันก็ลงเอ่ยว่าเขาไปอย่างสงบอืมใช่ไห ม, มแล้วก็ถ้าจะถาทราบก็หลายคนที่เขาเอาแนวคิดและวิธีการของหนังสือลำนี้ไปใช้นะเขาก็ได้ได้รับความพอใจหรือเขาก็สึกว่ามันมันเวิร์ก มันได้ผลอย่างน้อยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดความเปลี่ยนแปลงคือว่าไอ้ที่เคยร้องหฮมร้องไห้ตอนหน้าข้างๆเตียงคนตายคนป่ว ย, รยหรือว่าแม้กระท่งเมื่อเข้าหมดลมแล้วเนี่ยจะไปทําอะไรกับศพเนี่ยตอนหลังเนี่ยหลายคนเขาก็ก็ไม่ทำํำใช่ไหมเมื่อแม้แม้กทั่งเขาหมดลมแล้วเนี่ยก็ยังมีการกล่าวคํานําทางให้กับอ่าผู้ตาย กาบรรยากยยาศความสงบเนี่ยก็เริ่มก็เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นว่าแม้กระทั่งไม่ว่าจะก่อนตายหรือหลังตายเนี่ยบรรยากยยาศแห่งความสงบก็สําคัญ<ม>เราไปคิดว่าเ้าตายแล้วเขาไม่รับรู้อะไรเราจะไปทําอะไรกับศพ<ม>ไปทําอะไรกับล่าง<ม>ก็เนี่ยมันก็ไม่น่าจะถูก<ม>นะเพราะว่าในเพราะว่าจิตนะเนี่ยจิตก็ยังอาจจะรับรู้อะไรได้ถ้าเกิดว่าญาติเนี่ยสามารถพูดนําทาง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 โดยหลักๆนะเอาเอาเอาเป็นหลักการง้างก็คือว่าการผูใ้ในค่าน้อมนึกถึงสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงามนั้นเนี่ยอาจจะหมายถึงพระพุทธเจ้าอาจจะหมายถึงพระสงฆ์หรือว่าน้อมนึกถึงความดีที่เขาได้ทำํำความดีที่เขาได้ทําในฐนานะที่เป็นพอ่อเป็นแม่เป็นลกูกอย่างคนธรรมดาเนี่ยเช่นคนจีนเนี่ยก็ จ, จะไม่ค่อยได้เข้าไปเข้าว่า เราจะไปให้คนน้อมึถึงพระพุทธธรพระสงค์เนี่ยบางทีเขาก็าจไม่น้อมตามแต่ว่าเราเราเวลาเราพูดถึงว่าเขาได้เลี้ยงลูกมาจนโตเขาได้ต่อสู้ฟันฝ่ากับชีวิตมาเขาได้ได้ช่วยเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ได้รับความสะกสบายเขาเลี้ยงลูกเ ล, เลี้ยงหลานจนทั้งโตพึ่งพาตนเองได้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 เพราะว่าถ้าไม่ไม่ทมําให้ทําไม่ไม่พูดเลยจิตเขาก็จะไปเกาะกับเวทนาดิโนะมัน <Simple. S 1> จะเวทนาใช่จิตก็จะไปเกาะกทุกขเวทนาแล้วก็ยังมีมันยัง ม, ม, งมีมันยังมีสิ่งที่เรียกว่า น, นิมิตกรรมนมิมิตคตินิมิตกรรมนิมิตก็คือนิมิตเกี่ยวกับกรรมเกี่ยวกับการทําดีบ้างไม่ดีบ้างแต่คนเราส่วนใหญ่มักจะไปเกาะกับความผิดพลาดที่ไม่ดีคุณทําความดีมาตลอดแต่มีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆคุณไม่ได้มีคุณไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เวลาตาย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 มันแรงมากมันจะมาเป็นระยะระยะอะไรอย่างเงี้ยจังหวะเจ็บปวดไปหมดทั้งกายก็หายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ว่าประสบการณ์ของหลายของที่เทตมาพุทธก็หลายคนเนี่ยปรากฏว่าไอเวทไอไอความกรสักสายไม่ได้เกิดจากทุกขเวทนาทางกายแต่เกิดจากทุกขเวทนาทางใจเช่นเออมีมี มีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นมะเร็งปอดนะแล้วก็ในวนสุดท้ายเนี่ยหมอก็ให้ยาที่จะระ ง, งับปวดคลื่ซีเดตนะแต่ว่าพอให้ไม่ทันไรเนี่ยสงบสักพักก็เดยกกระสับกระส่ายใหม่หมนะทุลนทุนลายปากแกก็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 มีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆคุณไม่ได้มีคุณไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เวลาตายตอนที่พ่อแม่ตายคุณไม่ได้อยู่ไอ้พวกนี้มันเกาะจิตนะ พ, พ, นออพูดขึ้นมาออพขึ้นมา อ, อ่อะไรทำนองนี้หรือว่า<ม>ได้ได้ทำอะไรไม่ดีกับลูก<ม>ใช่ไหด่าว่าลูกไม่มีเวลาให้กับลูก<ม>ท้งคนีมาตลอดนะแต่ว่ามันเจอตรงนี้มันก็ติดเนี่ย แต่พอเราพูดถึงความดีของเขานะความดีของเขาเนี่ยมันก็ทำให้จิตเขาเนี่ยน้อมไปสู่ภาวะที่เป็นกุศลแล้วนะอัตมาพูดว่าหลายคนเนี่ยเขาไอ้ความทุรนทุรายกระสากระสายนีย่มันน้อยลงนะที่ทุรนทุรายนี่หมายถึงว่าจิตเขายังไม่ไม่ก็ยังไม่วางก็งยัง ไม่บางทีเวทนามันแรงอ่ะเจ้าค่ะมันแรงมากมันจะมาเป็นระยะระยะอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจ็บปวดไปหมดทั้งกายแต่ประสหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเลยก็มีแต่ว่าประสบการณ์ของหลายของทเทตมาภพแล้วก็หลายคนเนี่ยปรากฏว่าไอ้เวทไงไอ้ความกระสับกระส่ายมันได้เกิดจากทุกขเวทนาทางกายแต่เกิดจากทุกขเวททางใจเช่นเออ มีมีมีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นมะเร็งปอดนะแล้วก็ในวันในวันสุดท้ายเนี่ยหมอก็ให้ยาที่จะระ ง, งับปวดคลีโอซีเดตนะแต่ว่าพอให้ไม่ทันไหลเนี่ยสงบสักพักก็เดี๋ยวกระสับกระส่ายใหม่ทุรนทุราย ปากแกก็ขมุกคมิดลูกดูก็ไม่เข้าใจว่าพูดว่าอะไรแต่ก็สังเกตสักพักแกพูดกับว่าเชียงใหม่เชียงใหม่มหมอก็ถามว่ามันมีความหมายอะไรหรือคุยกับลูกสักพักรูกก็เข้าใจว่าเป็นเพราะว่าพ่อเนี่ยตั้งใจอุทิศร่างกาย ให้กับโรงพยาบาลที่เชียงใหม่มแกเป็นคนกาแพงเพชรใช่ไหมแล้วมาป่วยที่โรงพยาบาลจุฬาหมอก็อเลยคู่เกลมไขว่าไม่ต้องห่วงนะถ้าหากว่ามีอะไรเป็นอะไรไปเนี่ยทางโรงพยาบาลจุฬาก็จะรับดูแลให้เรื่องร่างกายนี้นะแกก็สงบเลยนะโชคอีอะคะแกแกแกติดแกค้างแค่เนี้ยแค่เนี้ยเอง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 แต่ปี42มาอยู่ทั้งถึงปี45 46นะแต่ต่อมาก็จริงๆแล้วนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้งานไม่ได้ชุกเรื่องนี้นะแต่ว่าจะให้จะจ ะ, จะแนะนาจะให้ความเห็นจะช่วยนะแล้วก็จะแต่เรื่องของการช่วยนำทางผู้ใกล้ตายเนี่ยก็ก็มีอยู่บ่อยๆแล้วก็ สัปประมาณได้ไหมเจ้าคะว่ า, ปาไปแล้วประมาณเท <laughs> ่าไรก่อนท่ <g ülme> อ๋ไอไ่ <c oughs> แต่ว่ามีขึ้นชื่อว่ามักจะพูดล้อเล่นกันว่าคนไหนที่จะมาไปไปเยือ น, นมักจะมักจะมักจะอยู่ได้ไม่นานคือมีการแนะนําก่อนหน้านั้นไหมคะคือถ้าไปแนะนํา <c oughs> ในวันที่เขาจะเสียเลยเนี่ยมันมันนั่นมันจะต้องมีการแนะนําอะไรกันมาก่อนได้คุยกันบ้างใช่ก็จะก็จะบอกก็จะบอกบอก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 และคนที่จะรู้จักจิตใจของคนไข้ดีเนี่ยรวมทั้งรู้วิธีที่จะปลดเปืองสิ่งคังคาดใจเนี่ยคือญาติเพราะบางครั้งเนี่ยความค้งังคาดใจเนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างคนไข้กับญาติอย่างเช่นมีมีมีหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยแกประสบอุบัติเหตุรถยนต์แล้วก็สมองกระทกระแทกโคมา่า พ่อเนี่ยก็พยายามให้หมอนช่วยเต็มที่นะยอมรับความตายของของลูกไม่ได้นะคนไข้เนี่ยนะแกไม่ตอบสนองแต่ตายกะเปิดตายกะเปิดตาเปิดเนี่ยคือว่าช่วงที่เขาโคม่าเนี่ยแต่เปิดตาลืมตาอยู่ไม่ยอมก็อาการก็หนักแต่ว่า หมายกว่ามีการพยายามที่จะยื้อยุดเอาไว้นะพ่อทีแรกเนี่ยไม่อยากให้ลูกตายแต่ตอนหลังเห็นลูกอยู่ในสภาวะเช่นนั้นเนี่ยรู้สึกว่ายื้อไม่ไหวนะแต่ว่าลูกก็ไม่ยอมไปพ่อเนี่ยเสร็จแล้วแกก็ได้คุยกับลูกมีสิ่งึ่งที่ข้างขาใจพ่ออยู่นะก็คือความรู้สึกที่ คือพ่อเนี่ยไม่อยากให้ลูกไปเพราะพ่อเนี่ยมีความรู้สึกผิดที่ว่าตอนที่ลูกอยู่เนี่ยไม่มีเวลาให้กับลูกไม่ได้เลี้ยงลูกดีพอไม่ได้ใส่ใจลูกทะเลาะด่าว่าลูกและนี่คือเหตุผลที่ทำให้พ่อเนี่ยยอมลับความตายของลูกไม่ได้แต่ตอนที่ลูกกำลังจะจะแยกเนี่ยไม่ทราบว่ามีคงมีคนมีคนแน่แกก็เลยพูดถึงความในใจขอโทษลูกว่าพ่อนี่นะไม่ได้มีเวลาให้กับลูก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 ต้านมแล้วก็พยายามรักษาด้วยวิธีการต่า ง, างๆมากมายแต่ก็ไม่หายแล้วก็เป็ น, นี่มาสี่ห้าปีเสร็จแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยปรากว่ามีปัญหาเรื่องท่อน้ำดีอุด ต, ตันซึ่งทำให้พิษเนี่ยมันแพร่ซ่านไปทั่วตับตับก็จะแย่ต้องรักษาโยงคนนี้เนี่ยบอกว่าไม่รักษาแล้วเพราะว่าไม่อยากทุกข์มาแบบนี้แล้วอยากจะกลับบ้าน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 แล้วกอ ว, ว่าตลอดเจ็ดวันเนี่ยนะญาตินะแม่พี่น้องสามีลูกหลานก็มาก็มาห้อมร้อมเป็นกำลังใจไม่ได้เป็นกำลังใจใเฉยชักชวนนะคนไข้ทำวัดสวดมนต์นะแล้วก็ทุกวันทำสมาธิบ้างแล้วก็พอสองสมาธสุดท้ายเนี่ย ก็ชวนคนไข้เน oh si, oh si, ok ี่ยนะให้น้อมนึกถึงพระรัตนตรัยให้เอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งให้เดินตามพระรัตนตรัยคือพระผู้เป็นธรมพระสงฆ์ไปอย่ากลัวนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็บอกให้เขาเนี่ยนะให้โหสีนะให้โหสีแก่ทุกคนลดรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรนะแล้วขณะเดียวกันญาติ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 แต่ไปไปอ่าใช่ไปแบบนิ่งเนี่ยซึ่งหมอเนี่ยก็งงเพราะหมอบอกว่าจะถ้าไม่เบลหมอจะจะก็ดี๋ยวนี้เกิดจะรู้ตัวจนเกิดจะห้าทีสิบนีสุดท้ายแล้วทั้งหมดนี่เกิดขึ้นเนี่ยโดยโดยความรื้มือของญาติพระไม่ได้ยุ่งเลยใช่ไหมอาตมาก็เคยไปไปเทศให้กับคนไก้รายนี้อยู่นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ช่วยจริงเนี่ยคือญาตินะ เทคนิคก่อนนะนั้นจริงเราจะช่วยใครใครรู้ตัวจะได้เตรียมตัวเตรีตัวแล้วช่วยวเราไปช่วย บ, บ, บางทีเราเราก็จะได้ทําเงี้ยนะเผื่อพ่อแม่เราจะได้รับอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหอืม <laughs> ไม่ทราบว่าจะดีหรือไม่ดีก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าเออไปดีหรือไม่ดีแล้วก็แต่ว่าก็ก็ๆๆๆฟังฟังครูบาอาจารย์เรื่อยนะท่านก็บอกว่าเออให้กราบถอพระมาพ่อแม่ที่เราได้ร่วงเกินแล้วก็ เวลาเดาว่าเราจะเป็นคนดี<ห>อะไรอย่างนี้อาจารย์อย่างเคสนี่เป็นน้าของโยมได้ค่ะอ่าตกไปเก็บจาปาเช้ามืดคือกิ่งที่แกยืนหักมันหักมันหักใครก็คว้าปรากฏว่าไอ้กิ่งที่คว้าก็หักแกก็เลยลงมาแล้วลงแล้วต้นจาปาที่สูงใหญ่มากต้องขึ้นบันไดไปถึงจะไปเก็บดอกได้แกจะทํำนี้มาตลอดพอตกลงมาเนี่ย มันก็เป็นพื้นไอ้ทางถนนออกประตูบ้านเนี่ยเป็นปูนซีเมนมันก็ดังพักใหญ่มากเรากำลังถุงข้าวเช้าตกใจต้องไปดูนะะปรากฏว่าเอ่อเลือดออกที่หูนะคะแล้วไม่รู้ตัวทันทีแล้วปรากฏว่าลิ ม, ลมเอ็กตรงนี้ค่ะเอซี่คโครงคเนี่ยหักหักหักไปแท่งบอดคือลงข้างหมดเลยด้านนี้คุณแม่ก็เอาไอ้แป้หออิลนี่ให้ดนแกเอามือปัดแกเอาข้างเนี่ยปัด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 คนไข้ก็จะหมดลมอยู่แล้วล่ะนะไม่มีโอกาสแล้วเขาก็บอกว่า <c oughs> มีอาการยังไงที่เขาพบมากเมียเขาเนี่ยไม่ให้เมียเขาร้องผมร้องไห้เป็นลมพับแล้วพับอีกอยู่อย่างนั้น <c oughs> ไม่ให้เขาขอดวงตาพอไม่ให้ก็หมดลมคืนนั้นเนี่ยเขาไปเข้าฝันพระที่วัดละคังนะะซึ่งอยู่ไม่ห่างจากจวัดโรงมาบาลริราชเอาดวงตาใส่มือไปให้พระ <c oughs> แล้วพระรูปนี้นะคะท่านมารับบาด ที่บ้านนะประจําแล้วท่านก็หยุดไปบ้างมาบ้างท่านไม่รู้เรื่องตายของน้าเลยท่านก็มารับบาตรแม่คืนฝันว่าเอมเอาชื่อชัยเอ็มนะเอาดวงตาใส่มือไปให้บอกผมมาถวายให้ท่านอจะแปงว่าจิตเข้าให้นะหลวงพ่อทาไมเขาละแล้วนะที่จริงแล้วเนี่ยหมดบมดไปแล้วนะคะก็ตอนหลังอย่จิตมันเออวิญญาณนะทั้งรอยออกมายังรับรู้เนี่ยจ้ะยังบอกยังอยากถามพ่ออยู่เนี่ยค่ะ หอเชื่อตอนนั้นยังคงยอยมยังไม่ยังไม่ไปคงยังไม่ไปที่หมอที่หมอมาขอเนี่ะคือจิตรอยมารับรู้แหละจิตรับรู้แต่จิตให้จิตเข้าให้ก็คงได้ทำบุญนะปรากฏว่าไม่ได้ให้กันน่าเสียดายมาคือเราไม่เข้าใจ เพราะว่าคนใกล้ตายเนี่ยเขากลัวว่าไปคาดหน้าไปตาบอดอันนี้พวเนี้เขาคิดผิดมากมเลยเดี๋ยวถามพี่จย์ได้ไหมคะก็ถามได้โอ้จริงจเคสถามเยอะแยะมากเลยเพราะว่าเรื่องใกล้ตายแม่ผแล้วเเป็นพยาบาลนี่นะคะอาจารย์พอเรามาปฏิบัติแล้วเรารู้เลยว่าโอเคคนนี้กําลังจะไปและเราญาติก็มายืนอยู่ญาติก็จะร้องไห้ทายเดี๋ยวพอรู้ว่าจะไปเราเลยบอกว่าอยากย่ร้องไห้เลย จิตเขาลอยออกมาอย่างเงี้ยเขาไปฟังพระอาจารย์บุญฤรื์ท่านบอกลูกที่แม่สั้ิเดสนมที่สุดเนี่ยให้คนเนี้บอกทางนะไม่ต้องไปถูกนะเนื้อต้องเตอเลยให้แม่ประคางใจเองแล้วจิตที่เขาลอยออกเนี่ยให้ลูกคนนี้บอกทางแม่พุโทโธพุโทโธนะแม่นะพุโทโธตลอดเวลาเนี่ยนะหรือเปิด เราเปิดอส่วนมนให้ได้ยินก่อนที่จะไปให้ประคองไปเองเนี่ยเราก็ไปบอกใหเขาทําอย่างเงี้ยแต่เขาไม่มีเทพไม่อะไรเดนก็ เ, เลยไปบอกเองเอาพุโทโธไว้นะคะอย่าไปสนใจเลยล่างนี้มันเจ็บมันปวดทิ้งเลยทิ้งเลยนะคะอย่าห่วงนะทิ้งนะแล้วไปกับไปกับพุโทโธเลยพุโทโธไปเรื่อยๆค่ะพุโทโธเรื่อยๆเราบอกอย่างนี้เลยนะนี่คือพยาบาลแล้วแต่งชุดพยาบาลด้วยคือบอกอเพรเ ป, เ, เป็นเวนเป็นเวนตรวจการอยู่ตอนนั้นนะคะก็ปรากฏว่า สิ่งที่รู้ว่ามัค่อยไปแน่พยาบาลเนี่ยเขาเดินน้องพยาบาลเอายามาฉีดมันไหลออกนอกเส้นผมไม่รับแล้วอะราก็เลือดก็ไปแน่นะรเปอร์เซนบอกเลยตรงนั้นจนกระทั่งแกไปหมดไปยมก็ออยังดีใจออยังเล็กว่าใกล้เราตายอะออออให้มันมีทางไปดีเถอะแล้วเราไหคะ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 เขาจะต้องเขาจะพยายามหาทีมให้ใหญ่ขึ้นโยมก็ถูก ต, ตาม ไ, <ห>ไปด้วยคนโรงพยาบาลภูมิพลอายุทยาค่ะตอนนี้มีทีมนี้ค่ะดีมีทีมที่จะคอยอธิบายให้ญาติฟังว่าญาติเนี่ยจะ ต, ต้องทําใจนะไม่ช่วยใช่ไห้เอาไม่ช่วยแน่นอนแล้วไม่ช่วยอพอนคนไข้ใกล้ไปเนี่ยเราก็ไม่ปิดฉากแบบไม่ให้เขาไปเห็นกันเลยไม่ใช่ให้ญาติเข้าไปบอกทางนะถ้าพป็นทาพูดแล้วก็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 ตอนหลังเนี่ยในช่วงสองปีหลังนี้ก็ทำทุกเดือนนะเป็นเป็นยังไงคะในระยะแรกนี่คือพระาจารย์ไปให้การอบรมที่ที่โรงพยาบาลหรือว่าเขามาอบรมกันที่วัดเจ้าคะ อ, อ๋อเราจัดอบรมในที่ที่สะดวกเช่นอาจจะเป็นเอ่ออาจจะเป็นอาจาอาจะเป็นสถานที่สัมมนาครั้งแรกมีประชาสัมพันธ์กันยังไงเจ้าคะที่ที่มาครั้งแรกนี่ก็นะมันเป็นส่วนหนึ่งของ นิทรศ ก, การของกระทรวงสาธารณสุขเราจัดที่ไบเทคตอนนั้นก็มีกิจกรรมหลา ย, ลายด้านการการอดมเพื่อช่วยผูป้ป่วยตายสงบเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงกา ร, <ค>รกิจกรรมนี้สเสนอกิจกรรมนี่เข้าไปในในิทรรศ ก, การนั้นจ้าคะอ๋อตอนนั้นตอนนี้เนี่ยมันมสนาสาีสำนักยุทธศาสตร์และสำนักยุทธศาส แถ้เร่อย บ, บายของกระทรวงสาธารณสุขเขาทาเรื่องนี้ก็สนใจะนะคุณหมอกรมวาจึงเสถียรซับก้อนนี้ก็เป็นคนที่สนใจเรื่องนี้นะแล้วก็คือปัญหานี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่แบบพทย์พยาบาลเนี่ยเขาสนใจมานานเพรา ะ, ะเขารู้สึกว่ามันมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งกันตรงนี้ก็เยอะอ่าแต่ว่าปัญหาที่เขาเป็นห่วงก็คือว่าการที่ผู้ป่วยเนี่ยตายแบบทุรนทุรายซึ่งเขา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 เป็นการทำในคนไข้ยังไม่ได้ถึงวาระตายแต่ไปดึงท่อออกพระอาจารย์คิดตรงนี้ยังไงเจ้าคะ่ะคือกรณีนี้มันก็มีมีรายละเอียดอยู่อยู่ไปน้อยเพราะว่ามีผู้ป่วยบางประเภทที่ อ, อ, อาจจะอาจจะถึงแก่ชีวิตแล้ว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 จากไปอย่างสงบได้ครานี้อย่างกรณีเจ้าจากพุทธาตุนี่ท่านก็ทีแรกก็มีการพยายามยื้อชีวิตท่านาไว้แต่ตอนหลังก็ยื้อไม่ไหวก็พาท่านส่สงกลับสนมโม่นะก็กระบวนการช่วยชีวิตด้วยเครื่องเทคโนโลยีก็เป็นอันยุติท่านก็ค่อย<ๆ>จากไปอย่างสงบเป็นการจากไปอย่างเป็นธรรมชาติตามที่ท่านต้องการคราวนี้คาถามก็คือว่าการที่เราเอา เอาท่อช่วยหายใจออกเนี่ยมันจะเป็นการฆ่าไหมอาตมาคิดว่ามันก็ไม่แน่เสมอไปเพราะว่าเราจะมองว่าเป็นการพยายามช่วยให้คนไข้นี้เขาได้กลับคืนสู่สภาพการตายแบบธรรมชาติก็ได้ให้จังหวะการตายให้จังหวะจืนิตเขาเป็นไปอย่างตามธรรมชาติ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 ก็พิจารณาดูว่าต่อไปเราจะเป็นอย่างนี้ใหม่เข้ามาเผมคนนี้ที่มีเงินทองมีลาบยกชื่อเสือเกิต่อไปเราจะต้องเป็นอย่างนี้ใหม่ทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ใหม่พ่อแม่พี่น้องญาติของเราจะต้องเป็นอย่างนี้ ก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนแล้วใครจะเ ห, หมืนได้ไหมคติครรมคำสอนหลวงพ่อสนองกระตะปูโยจากหนังสือเตรียมใจไว้ก่อน